ทำอ่งนั้นอย่าไปไ ก, ไกลจากฉันทิ้งความเคยาผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธ จ, จะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆหากขาด เธอคงหมดใจขาดถึงไปคงหมดกันสิ่งที่ฝันวาดไว้ยังสวยงามอยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันโปรดอย่าทำไปอย่างนั้น ไปไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทร้ารกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันหรือไง ความทรงจำคือเธอ อะไรที่ฉันต้องมีีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะ ม, ม, มีอยู่เพื่อใครภความส ร้ายกันรู้ไหมอดจึงแขวนปั้นตึงกันเริ่องใดขอเธอต้องเข้าใจไม่เกิดเพรใคร